ไ ม, ไ, มไม่มีเสียงไหมไม่มีเสียงแต่ว่าจะพูด ห, หมอมาเกิดนี่กลับมาเอาตรวจเสียงให้เพราะว่าตรงสัเป็นก้อนเนื้อลำคอขอนับหนึ่งถึงสิบก็นับให้เขาฟังแล้วก็ เลยพาไปตรวจค่อนเนื้อลำคอสองกล้องลงไปเขาบอกว่าโอ๊ยไม่มีอะไรแต่ลำคอไม่มีอะไรเอาหัวล่อเอาหัวลว่อวะไม่มีอะไรไม่มีอะไรทั้งหมอทั้งไหนแพทย์ทั้งพยาบาลมาช่วยกันดูแลก็เลยกลับมาเมื่อคืนนี้ น, นั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องโครคภัยให้เจ็บของร่างกายแห้ว่าร่างกายไม่มีอะไรใจก็ไม่มีอะไรเพราะใจมีผู้ดูเลยมีสติสัมชัญญะเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจความรู้จักตัวเป็นครูของกายของใจเื่อดูเลออยู่เสมอ ไม่มีพิษมีภัยอะไรเมือ่อมีสติประเจ้าของแล้วเดียนรู้เจ้าความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวกายมาเป็นคุ้มของกายใจให้อยู่ในความปกติปกติของกายของใจที่ว่าอยู่โดยโชบ อยู่ในชอบอยู่เสมอมีความเห็นถูกต้องอยู่เสมอกับโลกที่มันมีอะไรเกิดขึ้นในโลกมีความเห็นถูกต้องอยู่เสมอเพาะว่าสติเป็นครูของกายของใจเป็นการศึกษาสูงสุดเรียก ว, ว่าใจศึกษา ในการไม่ใช่ศึกษาสูงสุดคือชันอบรมศึกษาตามภาษาของโลกได้รับปริญญาสาขาว่าต่างๆอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งส่วนชีวิตของเราจริงมันมีปริญญาเหมือนกันนะในความเห็นดังชอบอยู่เสมอไม่ให้เกิดปัญหาต่อกายต่อใจ สิงใดเกิดขึ้นต้องากกับใจมีแต่ปัญญาวัญญา เ, เป็นสิ่งที่เฉลยชีวิตของเราทั้งหมดมาให้มีอะไรที่มันผิดปกติบ้านของชีวิตคือปกติอยู่เสมอแม้ว่าเจ็บไข้หรือป่วยก็ปกติอยู่เสมอวันเดินไปีจะเป็นอย่างไรก็ปกติอยู่เสมอ <c oughs> ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่คือการศึกษาที่อยู่เราชอบเราเรามาศึกษาแล้วนี่กันเป็นชั้นอุดมศึกษาจริงๆไม่ว่ า, ส ต, าสติเป็นครูของกายสติเป็นครูของจิตใจกายที่มีครูใจที่มีครู รก็ต้องดูเลยอากาศ อ, อยู่เสมอผิดไม่ได้ชุกไม่ได้ทุกไม่ได้ให้อยู่ในความปกติอยู่เสมอทุกคนมีุติเปนคููอยู่แล้วหาไปยากอยู่ในที่เดียวกันวางรูดจักตัวคู่แขงเข้ารูดสักตัวได้เย่าแขนดอกรูดสักตัวได้ ใ, ใจที่มันคิดเป็นสันตติเกิขึ้นอะไรก็ตามมันเป็นเครื่องรู้สักตัวสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจที่เป็นทวารไปต่อรับกับลถของโลกก็เป็นความรู้จักตัวลงตัวเสมอปกติเสมอเห็นชอบอยู่เสมอนี่เรามาศึกษาเรื่อนี้ได้หลักสูตร เป็นสูตรเป็นหลักสูตรที่ตายตัวสากลเป็นความศึกษาที่เป็นการสากลของคนทั้งโลกไม่ใช่แบบนั้นแบบนี้มัด้วยวิชาการต่างๆวิชาการ จ, จริงๆเมือเนี่ยคือความปกติความเห็นชอบอยู่เสมอความเห็นชอบอยู่เสมอความเห็นชอบอยู่เสมอจะเป็นยังไงก็ตาม มันจบตรงนี้มันลงตรงนี้กายปกติใจปกติแล้วว่าครูของเราคือความถูกต้องความเป็นธรรมความปกติทำให้ชีวิตเรามีที่อยู่เหือการเกิดจเจ็บตายไ ด, ได้จึงงั่นใจจึงมั่นใจในการศึกษา โถท่าทาต่อโลกไปมีความสุขความทุกข์มีอะไรต่างๆก็เปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นหากใหมีความรู้สึกตัวเป็นครูของกายของจจายาวการศึกษาที่ที่มาจรฐานได้มาจรฐานการศึกษาชีวิต เป็นสากนของชีวิตเป็นความถูกต้องของชีวิตทั้งกายทั้งจิตใจยัง เ, เป็นเรื่องที่ทุกคนมีสติทุกคนก็มีกายมีใจสิ่งที่มาเกลื่อนกายใจมันเป็นบทเรียนที่มีค่าถ้ามีสติ การทุกข์ก็มีค่าทํำให้รู้จักตัวความโกรธความโลภความหลงกิเลสตันหนาก็มีค่าทําให้รู้จักตัวเมื่อมีความรู้จักตัวอันเดินก็ไม่มีค่าอะไรค่าคือความรู้จักตัวยิ่งใหญ่ถูกต้องเป็นธรรมต่อกายต่อใจนี่คือชีวิตจริงๆ ให้มั่นใจให้มั่นใจในสูตรนี้พระพุทธเจ้าบรมมาสาดาเป็นบรมครูของเราโดยค้นพบเรื่องนี้ที่มีอยู่ในชีวิตของเราจริงๆไม่ต้องปฏิเสธจริงเราเป็นทุกข์เราปฏิเสธ ตัวเองแล้วเป็นจุกโรโกรธโลภรหลงเราปฏิเสธตัวเองในตัวเรามีความถูกต้องอยเสมอต้นในการศึกษานีสติอาจจะมหาธรรมีสติถ้จจาส ต, สติมันมีในกายเนใจแล้วอะไรก็ไม่มีโอกาสหลงลืมได้มีกันอันจิตที่เป็นอื่นไปไม่ได้ ลงตัวจะเหม่อชีวติตจะลงตัวชีวติตจะลงอ <c oughs> ่ะฮะแล้สองกล้องแล้วมันไม่มีอะไรแต่ว่ามันมันก็แต่โรยมันตายมันเลยไม่มีเสียงธรรมดาเมื่อเชีงนี่มีเชียงนี่ก็ไม่มีไอ้รอยมันตายมันก็ไม่มีเสียงเป็นธรรมดา ทำไมเทลอยมันตายพรอเห็นโลกโลกอะไรโลกที่เป็นก้อนเนื้อมันอาศัยอวัยวะของร่างกายเพื่อให้เกิดโลกต่อไปเส้งกระดูกเส้นเอ็นเลือดก็ตามเล็นหล่งให้เกิดความละเกิดทั้งเกิดแต่งโลกมันก็เสียไปแล้วไม่มีเครื่องซ่อมเหมือนกับเครื่องยนต์คนก่อยอทลอยมันตายก็ซ่อมไม่ได้เปลี่นใหม่ไม่ได้ มันก็เป็นเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเอง